อัลลอฮุราะขานุรรหิม الحمد لله رب العالمين وبإنا أستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي نعيم أ مبارك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสติความจาเริญเจ้าอัลลอฮฺ سبحانه و تعالى ประสบกับพี่น้องผู้สัตยาทุกท่านนะครับฮัมดูลิละนะครับกลับมาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับแน่นอนอย่างยิ่งนะครับพี่น้องเราพยายามที่จะได้ ให้เราทุกคนนะครับได้ตระหนักถึงสิ่งสําคัญและความจําเป็ น, นของเราทุกคนซึ่งเราได้ศรัทธาแล้วก็ยอมรับอัลละฮฺเป็นพระเจ้านะครับท่านอบดุลเบีมมัตส์ละลอฮฺุอยลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลและเป็นบาบของพระองค์นะครับในการยอมรับอย่างนี้นะครับนั่นก็คือการที่เราจะต้องยอมรับเช่นเดียวกันนะครับเพราะเป็นหนึ่งใน6ประการของหลักการศรัทธานะครับว่าเราศรัทธาในคัมภีร์ ศรัทธาในคัมภีร์ที่มาจากฝากฟ้าหรือมาจากอัลลอฮฺสุบะตลานะครับนั่นก็คืออัลกุรอานหนึ่งในนั้นคืออัลกุรอานนะครับซึ่งเมื่อการนี่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาของพวกเรานะครับเราคงไม่ใช่บอกว่าเราศรัทธาในคำภีอัลกุรอานและจบกันแค่นี้แต่สิ่งคาว่าศรัทธาตรงนี้มันถึงทําให้เราจะต้องพยายามที่จะได้ศึกษาเรียนรู้นะครับว่ากุรอานบอกและสอนอะไรกับเราเพื่อให้เรานั้นได้ตระหนัก ถึงสิ่งที่ครุรานได้บอกนะครับให้กับประชาชาตโครุรานได้สอนให้กับประชาชาติได้สามารถที่จะอยู่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยของพวกเขาทั้งหลายให้รอดพ้นจากการล่อลวงหลอกลว ง, ล อ, งอีกทั้งยังได้ให้เขาได้เห็นถึงวิสัยทัศน์มุมมองการตั้งเป้าหมายของชีวิตนะนี่คืออัลกุรอานพี่นะครับดังนั้นอยากให้เราทุกคนได้ พยายามนะครับที่จะบริหารจัดการวันเวลาของเรารโอกาสของเราที่พระองค์ได้ประทานให้นะครับว่าทําอย่างไรให้เรานั้นได้สามารถที่จะได้นําอัลกุรอานมาสู่ระบบการดําเนินชีวิตรายวันของพวกเรานะครับที่นอกจากะอา่านจะท่องจําจะศึกษาความหมายจะรู้ถึงเป้าหมายจะทั้งหมดเหล่านี้รว้วนเราแต่เป็นสิ่งที่ทําได้และควรจะทํา นะครับก็อยากให้เราได้ได้ได้พยายามนะครับอย่ามองว่าไม่สําคัญอย่ามองว่าเคยทําแล้วนะครับและอย่ามองว่าไม่รู้จะเริ่มอย่างไรไม่เลยพี่น้องครับเริ่มจากการอ่านที่ง่ายสุดเริ่มจากการอนศึกษาเริ่มจากการอ่านถ้ายังอ่านไม่ได้ก็เริ่มจากอลิบาตาถ้้ายังไไม่ไดอีกก็เริ่มจากการฟังแล้วก็พยายามทําให้มันเป็นกิจวัตรนะที่ผมใช้คําว่าเป็นระบบการดําเนินชีวิตรายวันเนี่ยนะครับก็คือ เวลากินข้าวเรามีนะครับเวลาทํางานเราเรากำหนดไว้เวลานอนเรากําหนดไว้หมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามคือเราไม่ได้กําหนดเวลาสาหรับอัลกุรอานเราไม่ได้กําหนดเวลาของการที่จะศึกษานะครับคำพีที่มาจากอัลลอฮฺซุพฮานะฮูอัตตาลาเป็นคัมพี์ที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในหประการของ าการศรัทธาของเราครับก็อยากให้เราได้บริหารจัด ก, การตรงนี้นะครับเอาละรครับพี่น้องครับเรายัางอยู่ในสุระอันกบุตนะครับวันนี้ก็เริ่มในอายะที่13บสานะครับเท่าความในตอนที่แล้วนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหวัวตาลาได้บอกไว้นะครับคือให้เห็นถึงภาพที่บรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายพยายามที่จะกล่อมพยายามที่จะพูดเพื่อยือนยันว่าให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นทิ้งการศรัทธาทิ้งแนวทางของท่านนาบสีสุลตาร์ฮฺอฮุยลัยฮิวะซัลลัม กลับมาสู่แนวทางเดิมคือแนวทางอของพวกเขานะครับและอะไรที่หวาดกลัวกลัวการลงโทษกลัวการผิดพลาดพวกเขาทั้งหลายก็ยืนยันด้วยลิ้นที่ไม่มีกระดูกเนี่ยแหละครับว่าเดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบเองเดี๋ยวฉันจะรับบาปของพวกท่านทั้งหลายเองนะครับนี่คือเป็นความกระด้างความโอหังนะครับจากการที่เขายังไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับว่าว่าสิ่งที่เขาพูดออกมานั้นมันทําร้ายตัวเขาเองอย่างไร และท้งนี้อัลลอฮ์สุพานหูตาลาก็ได้ชี้ชัดนะครับที่บอกว่าพวกเขาทั้งหลายที่กล่าวอย่างนี้ที่ยืนยันอย่างนี้ที่มารับประกันรับผิดชอบอย่างนี้โกหกทั้งสิ้นนะครับไม่มีจะด้วยความจริงใจจะด้วยหลักฐานไม่มีนะครับพจะพูดง่ายว่าคำพูดที่ไม่มีความเป็นจริงนะครับต่อมานะครับในอายะห์ถัดไปอัลลอ์าห์นาตาลาได้บอกนะครั บ, บว่าะ ل ا يحملون ولا يحملون أثقالهم و أ ث ق ا ل ه อ مع أ ث ق ا ل ه ม ลองดูนะครับว่าพวกเขาทั้งหลายจะต้องแน่นอนครับเขาจะต้องรับรับผิดชอบความผิดของเขาเองนะต่อเ น, นื่นองจากอายัดก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าจะรับผิดชอบของคนนั้นจะรับผิดชอบของคนนี้นะใครที่ศรัทธาแล้วละทิ้งการศรัทธาทิ้งท่านนบีทิ้งอิสลามแล้วก็มาอยู่ในแนวทางหรือมาอยู่ในาศาสนาของเขาเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะรับบาปให้เดี๋ยวเขาจะรับความผิดให้ถ้ามันมีเดี๋ยวเขารับเองมาอยู่ที่เขาเองนี่นะเพราะเขา อ้างตัวเองเราบอกตัวเองว่าเป็นผู้ที่ทรงอำนาจทรงยิ่งใหญ่นะแต่เขออาอ้างนะเพื่อที่จะได้รับบ<ด>ัตของแต่ตอย่าลืมนะครับว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลแท้จริงเขาจะต้องรับผิดชอบแบกรับภาระความผิดความเลื อ, อกบาปของเขาอยู่แล้วนะครับไม่รอดนะไม่รอดแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะปฏิเสธไม่ได้นะ ในเรื่องของเขานะยังไม่พอนะครับและก็ยังบาปที่ความผิดอื่นๆที่เขาทำหากเขาสามารถที่จะไปโน้มน้าวใครก็แล้วแต่ที่ให้มาทำผิดโดยที่บอกว่าในโลกดุงยานี้จะไม่เอาโทษนะครับคุณทำนี่ไปเลยไปทำลายคนนั้นไปเข็นฆ่าคนนี้แต่เดี๋ยวฉันรับเอง เนี่ยบาปเหล่านี้เขาก็รับ้วยเช่นเดียวกันเพราะเขาเป็นผู้ที่สั่งการหรือเป็นผู้ที่สนับสนุนในการทำผิดนะครับวัลลาญุสอลุนในเยาว์มัลกิ亚马แต่หารู้ไหมว่าแน่นอนนะครับในวันกิ亚马ในวันแห่งการตอบแทนวันพิพากษาวันฟื้นคืนชีพเขาทั้งหลายนี้จะถูกสอบสวนจะถูกทวงถามนะครับถูกตัวถามเกี่ยวกับเรื่องครับ อัมมาแกนุยัตตารุในสิ่งต่างๆที่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้ได้คิดขึ้นมาอุตริขึ้นมานะครับหรือพูดง่ายๆว่ากล่าวขึ้นมาใส่ร้ายขึ้นมาทั้งหมดเหล่านี้เขาจะถูกเรียกมาสอบถามเอาที่ไหนมาพูดเอาความมั่นใจที่ไหนมาบอกแล้วเอาอะไรที่มาว่าอันนี้ยมันถูกอันนี้มันดีสิ่งที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติมันดีนะเอาตรงไหนมาบอกจะถูกสอบสวนพี่น้องครับ ไม่ใช่ถามแล้วจบนะตอบไม่ได้ก็จบไม่ใช่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าตอบไม่ได้ไม่มีหลักฐานไม่มีที่มาที่ไปอหรือเขาเรียกใช้ลิ้ตลบตะแลงอันนี้ใช้ไม่ได้แลยครับบนดุนยานี้เท่านั้นที่อาจจะพูดอะไรไปไม่ถูกก็แถไปเรื่อยๆนะครับผิดก็กลับให้เป็นถูกได้ด้วยคําพูดอันนี้คือใช้ในดุนยาเท่านั้นพี่น้องนะสําหรับคนที่ไม่เกรงครัวบทลงโทษในวันแห่งการตอบแทนเขาก็จะใช้ อะไรที่มันเป็น เ, เขาเรียกอุปกรณ์ใช่ไหมหรือ อ, อะไรที่มันทำให้เขาได้รับความสุขความสบายผลประโยชน์เขาใช้หมดเลยไม่คํานึงถึงว่าถูกหรือผิดไม่คํานึงถึงว่าที่มาที่ไปหรือสุดท้ายวินาทีสุดท้ายหรือวันสุดท้ายหรือวันแห่งการตอบแทนจะเกิด อ, อะไรขึ้นกับเขาเขาบอกวันวข้างหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตรงนี้ให้ใ ห, ให้ให้มันได้ตามที่อยากจะได้ก่อนนี่คือความคิด นี่คือความเข้าใจแล้วก็นี่คือเป้าหมายซึ่งเขายิ่งไม่ได้ศรัทธาต่อเราไม่ได้ศรัทธาในวันสิ้นโลกเรื่องนี้ตัดทิ้งไปเลยครับเพราะมองไม่ออกคิดว่าเมื่อตายแล้วเมื่อจบแล้วก็กลายเป็น เ, เขาเรียกผงธุลีไปจะฟื้นคืนชีพมาอีกกันนั้นหรือนะในบางอายะห์บอกว่าอิรักุ น, นาตุรอบเอา ว, วาอาบ้อุนาอินน่าลมุขระจุนเห็นไหมเป็นคําถาม เป็นคำถามว่าถ้าเราตายไ ป, ไ ป, ไปเป็นดินไปเป็นผงไปเป็นธุรีไปหมดแล้วนี่นะครับและบันพบุตรของเราก็เช่นกันที่จากไปที่สูญเสียไปที่กลายเป็นผงธุรีอินนาลมาุครยุตเป็นคำถามว่าแล้วเราจะถูกให้ออกมาฟื้นคืนชีพมาอีกกันนั้นหรือเห็นไหมฮะนั้นจากคำถามนี้นี่อยายะห์ดกรานนะครับอีกอยกายะห์หนึ่งมายืนยันที่บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อเขาไม่ศรัทธาไม่ยอมรับ ชีวิตหลังความตายการวันกียรมะนั้นที่จะเกิดขึ้นวันแห่งการพิพากษาวันแห่งการฟื้นคืนชีพถ้าไม่ศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับในดุนยาเขาทําอะไรก็ได้ในดุนยาเขาคิดยังไงก็ได้เขาพูดยังไงก็ได้เพราะเขาคิดว่าจบแล้วจบกันนะครับตายแล้วก็จบกันก็คือเหมือนไ ม, ไม่ไม่ ไ, ไม่ไม่ไม่มีอะไรหรือไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่อัลลอฮฺอัลลอฮฺสุบฮานาอัลาอฮฺได้บอกกับพวกเราทั้งหลายได้พึงตระหนัก จะทำอะไรจะคิดอะไรจะเชื่ออะไรอย่างไรกับใครนั้นตระหนักให้ดีครับว่าวัลยุสอาลุนเนี่ยอมาลกิม马คนเหล่านี้พวกเหล่านี้ที่ปฏิเสธทั้งหลายนั้นหรือจะตะกบดยาโสโอหังในบนหน้าแผ่นดินนี้นั้นพวกเขาทั้งหลายจะถูกสอบสวนจะถูกชวงถามอัมมาแกานูยาสตารุนในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้กล่าวขึ้นได้พูดขึ้นได้ใส่ร้ายขึ้นนะครับจะตอบยังไงนะครับนะฮะเมื่อตอบไม่ได้ผลลัพธ์มาแน่นอนนะครับ นรกที่รออยู่แต่พระวรรดิสุภาตราจะถามเพื่อให้เขาได้เห็นสภาพเห็นถึงความเป็นจริงที่เขาได้คิดได้ทำนะครับได้หลอกลวงประชาชนได้ได้ได้ตั้งตัวต่อต้านตั้งตัวเป็นเรียกว่าเป็นใหญ่ด้วยความโอหังยโสและสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายสอนใครครับสอนเราทุกคน ผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่ตระหนักผู้ที่ศรัทธาต่อลัทธิสุภาณวโหตลาจะได้มุมมองวิสัยทัศน์ข้อคิดและจะพึงจะได้รู้ว่าคุรานเมื่อบอกอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เกิดขึ้นแต่นี่คือเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นเรื่องคืนที่มีอยู่เรื่องกินที่มันมันมันประจักษ์ถึงการปฏิบัติของมวลมนุษยชาตินะครับไม่ใช่เฉพาะยุคเราไม่ใช่เฉพาะนี้แต่มันมีเมื่อก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าคนรุ่นหลัง ประชาชิ ข, ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะแอลัยฮิวะสัลลัมจะต้องศึกษาเรียนรู้ว่าอะไรที่มันเกิดผิดพลาดในอดีตเราจะต้องไม่ผิดพลาดในวันนี้อะไรที่หลอกลวงในอดีตวันนี้เราจะต้องมีสตินะครับมีสติแล้วจะต้องศึกษาเรียนรู้ว่ากลยุทธ์ต่างๆที่จะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอำนาจไม่ว่าจะเป็นภาค เ, เขาเรียกเชิงเชิงจริงใจนะครับ เป็นความสัมพันธ์เป็นความผูกพันที่ที่เาขาเรียกหัวใจสามารถรับได้นะครับแต่ถ้าสิ่งนั้นมันข้านต่อหลักการอิสแลามถ้าสิ่งนั้นมันท้านต่อบทบัญญัติถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องกลับไปเอาล็อกสุภัตตาลเราจะทําอย่างไรนะครับเราจะกล้าหรือไม่เราจะพยายามที่จะได้ออกห่างจากคําเชิญชวนเรียกร้อง นะครับแล้วก็อ้างสิ่งต่างๆนานาว่าจะรับเองจะนน่นนี่นั่นนะทั้งๆที่ของตัวเองยังรับไม่ผิดเลยของตัวเองยังไม่รู้จะไปตรงไหนเลยและจะรับของคนอื่นได้อย่างไรนะครับนั่นก็คือสิ่งที่คุร์านได้บอกและเตือนพวกเราทั้งหลายนะครับต่อมานะครับในอายะห์ถัดไปในอัลลอฮฺสุบฮานอวลตะลาได้ยกตัวอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ว่านะครับสิ่งที่ผู้ที่ปฏิเสธหรือผู้ที่ต่อต้านในเรื่องราวของศาสนา ผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับบอกเพื่อให้เราได้รู้ว่าถ้าวันนี้วิธีการอาจจะแตกต่างนะครับวิธีการอาจจะแตกต่างถ้าผลลัพธ์มันเหมือนกันเป้าหมายเหมือนกันนั้นแน่นอนครับทิศทางของการาจะได้รับบทลงโทษหรือจะได้รับรางวัลนั้นเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะแล้วเราอย่ามองด้วยด้วยเรื่องของวิธีการพฤติกรรม ช่วงเวลาอย่ามองครับอันนี้มันมันมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเรามองที่เป้าหมายเรามองที่การกระทําเร า, ามองที่เจตนาที่เขาได้กระทํานะครับอียะจัดไปอัลลอฮฺสุบฮานอัตลาได้ยกตัวอย่างที่บอกว่าวะละกัอัลสันนานุฮันอิลากอบิฮิและเราหมายถึงอัลลอฮฺสุบฮานอห์อัตลาได้ส่งท่านนบีโนะอะลัยฮิสลามมายัางประชาชาติของเขานั่นหมายความว่าในปัจจัยยุค ข, ของนบีโนะอะลัยฮิสสลามนะครับ พี่น้องประวัติของบรรดารอซูลที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานรวนแล้วแต่เป็นข้อคิดที่ดีในมุมต่างๆให้กับพวกเราทั้งหลายประชาชาติของท่านนาบีมฮัมมัดสลลลอฮวอะลัยฮิวะสัลลัมพึงจะได้รู้ควรจะได้รู้และน่าที่จะรู้นะฮะว่าประวัติศาสตร์เหล่านี้ไม่ใช่นิทานเล่าสู่กันฟังแต่มันเป็นข้อคิดเพื่อสร้างวิสัยทัศน์เพื่อสร้างเป้าหมาย ที่ชัดเจนของการที่เราจะได้ใช้ช่วงเวลาของชีวิตเราไปเจนทิศทางใดมาดูครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานาหูอัลลาได้บอกว่าวาลกัอารซานนาโนฮันอิลลาโอมิฮและเราได้ส่งน บ, บีโนะล a ลามมายัางประชาชาติของเขาฝ่ละบีสาฟีฮิบอัลฟาซานาตินอิลลาควอามอันนี้ชัดเจนที่เราท่องกันอยู่เราสอนเด็กกันอยู่นะครับว่าน บ, บีนูเนี่ย เผยแพร่ศาสนาเท่าไรนะครับอันนี้ชัดเจนนะนะึ 1, ย่ยหอก็คือ9 5้าปีใช้เวลาในการเผยแพร่ศาสนาน9น0ปีอยู่กับประชาชาติอยห้าปีก่อนที่อาดาบจะมาถึงก่อนที่บทลงโทษจะมาถึงนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับไม่ใช่นั่งนั่งรอนอนรอนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเปล่า เผยแผ่ศาสนาทุกวันครับและทุกวันที่เผยแพร่ศาสนาก็มีการปฏิเสธต่อต้านเย่อเย้ยถากถางกันแนกันแหนทุกรูปแบบเลยไม่ใช่วันเดียวพี่เนาะครับไม่ใช่2ปีไม่ใช่3ปีและไม่ใช่10ปีไม่ใช่ร้อปีด้วยแต่เป็น950ปีคิดจินตนาการนิดหนึ่งพี่เนาะครับว่าถูกทําอย่างนี้กันแนกันแหนอย่างนี้ต่อต้านอย่างนี้นะครับใช้เวลานา น, านขนาด น, นี้ความอดทนแค่ไหน ถ้ามาอยู่ดูในยุคของเราเราทํางานศาสนาเราช่วยเหลืองานศาสนานะครับไม่เกินสัปดาห์นะเจอคําพูดเจอการปฏิบัติเจอสีหน้าหน้าตาที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เราทํางานศาสนาเราก็าไปแล้วทิ้งนะล้รับไม่ได้แล้วนะครับทํานานหน่อยสักสองเดือนก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระ ทำนานขึ้นมาอีกนิดหนึ่งหนึ่งปีก็สาวว่ามันไม่สามารถที่จะมีอนาคตอันสดใสได้ทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องครับมันก็ถ้าเทียบกับท่านนาบีโนอาเลสลามหรือบรรดาผู้ศาทานในยุคนั้นเนี่ยถามว่ามันมันแค่ไหนอะไม่นับเป็นเปอร์เซ็นเลยพี่น้องครับไม่ใช่แค่หนึ่งบางคนบางคนให้หนึ่งเปอร์เซ็นไม่ถึงนะครับศูนย์จุศูนย์ศูนย์ศูย์ศูน ย, น ย, น ย, นย์ไม่รู้กี่ศูนย์ถึงจะมาแค่หนึ่งที่เราจะ เขาเรียกว่าเทียบเท่าถึงความอดทนที่เกิดขึ้นในยุคก่อนได้ดังนั้นนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วดีมากๆนะครับเมื่ออวสุขหานอตาลาได้บอกถึงความยาวนานของการเผยแพร่ศาสนาความอดทนนี้ไม่ต้องพูดถึงความพยายามนี้แน่นอนนะครับมาพร้อมๆกับการละเวลาเพราะคงไม่ใช่ว่าไอ้นี้ไปสําเร็จก็พูดไปเรื่อยๆเปล่าเปลี่ยนกลยุทธ์หาวิธีการบอกข่าวทุกรูปแบบเพื่อให้ เพื่อให้แต่ละช่วงเวลาแต่ละช่วงสมัยเนี่ยหนึ่งร้อยปีก็คือหนึ่งศตวรรษนะแต่ละศตวรรษจะต้องทำอย่างไรมันก็มีหมดลหละเพื่อให้คนได้เข้าใจศาสนาแต่แล้วทำไมครับไม่มีใครนะครับที่จะยอมรับนะยกเว้นคนที่ศรัทธาแล้วห <c oughs> ลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานาอัลลอได้บอกว่าฟาอะคัตฮะฮุมุลลอห์ฟาอะคัตฮะมุตตูฟาน วัห ah um ุมยอเลมูนพระองค์ได้ประทานหรือได้ส่งน้ำท่วมโลกที่เราเรียกว่าพยายุน้ำท่วมโลกพวกเขาทั้งหลายเป็นผู้ที่ยอเลมอธรรมต่อ ต, ตัวเองครับถ้าเชื่อนบีแล้วจะเป็นยังไงสูญเสียอะไระครับพี่น้องลองดูวันนี้ว่าถ้าเราถ้าเรานะปฏิบัติตามหลักการถ้าเราเชื่อฟังอัลลอฮ์และรสูของพระองค์เสียอะไรพี่น้องครับ นะเพราะคนที่ไม่ทำบางทีเขารู้สึกสูญเสียนะเสียเวลานะเสีย <c oughs> แรงเสียโอกาสเสียก่อนนะหลังจากนั้นค่อยมาคิดได้อะไรมีประโยชน์ตรงไหนนะครับพัฒนายังไงเห็นไ้ยฮะและถัดมาก็มาคิดในเรื่องของ ความอนาคตที่สดใสหรือเปล่าหรือมืดมนกับการปฏิบัติเหล่านี้นี่คือเยอะมากเลยข้ อ, อต่างเหล่านี้เนี่ยนะที่มันจะเกิดขึ้นนะครับกับอะไรครับกับการที่เราเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอ์และรอซูลของพระองค์แต่พี่น้องครับในท้ายอายะอัลลอ์สุบฮานะฮตาลาได้บอกว่าฝะาอั卡尔มุตตูฟันใช้เวลา950ปีในการเชิญชวนสอนบอกกล่าวเรื่องเราศาสนา ไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่ทิ้งศาสนาเดิมไม่ทิ้งพฤติกรรมเดิมที่เคยทำมาในอดีตที่ผิดพลาดนะครับยกเว้นผู้ที่ศรัทธาแล้วก่อนอยู่แล้วนั้นเขาก็ศรัทธาแต่คนใหม่มีไหมไม่มีนะครับทอแท้ไหมเปล่ายังคนทำอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมารับอิสลามและมาะเชื่อฟังท่านนาบีนูอัลรลสัแต่ท่านนาบีนูยังคงปฏิบัติอยู่ นานเท่าไรแล้ะครับ950ปีพี่น้องครับ950ปีเมื่อถึงเวลาแล้วพระองค์เอาล็อกสุภาตรตะก็ลงโทษพวกเขาด้วยการให้น้ำท่วมโลกนะถ้าเราจะฟังต่อหรือเราจะศึกษาต่อจะเห็นว่าลูกชายของนบีนนอลัยฮิสซายังคิดว่าขณะที่น้ำท่วมแล้วนะอยู่บนเรือนบีนนบอกให้ขึ้นเรือเพราะวันนี้ไม่มีใครรอดนะครับยังคิดว่าเห็นอะไรอ่ะ ยอดเขาอ น, นุ้นเดี๋ยวไหว้สองทีสามทีก็ถึงยอดเขาก็รอดพ้นแล้วคิดแค่นี้ขึ้นเรือแล้วเป็นไรเชื่อพ่อแล้วเป็นยังไงนะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้เสียเรื่องเงินทองนะครับไม่ได้เสียเรื่องเวลาไม่ได้เสียเรื่อง อ, อ, อนาคตไม่เลยครับพี่น้องแต่มันสิ่งหนึ่งที่ที่จะให้รู้ว่าทั้งหมดเหล่านี้ ถ้าไม่เชื่อรอซูลถ้าไม่เชื่อท่านนบีไม่ศรัทธาต่อลอกซุบฮาโนตาลาโทษใครไม่ได้เลยวะฮุมโอลีมูนพวกเขาทั้งหลายซอเลมอาธรรมกับใครล่ะครับตัวเองครับอาซมกับตัวเองอาซมกับคนรอบข้างเออโซเลมกับตัวเองโซเลมกับคนรอบข้างกับคนที่อยู่ใต้การดูแลนะเพราะบังคับไปให้เขาเชื่อบังคับไปให้เขาศราัทธาอันนี้ก็จะโทษใครไม่ได้เลยนะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่า วันนี้พี่น้องครับเรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องของศาสนาคือเรื่องของเราเรื่องของเราทุกคนนะครับเราจะโทษใครไม่ได้ถ้าวันนี้เราปฏิเสธวันนี้เราคิดเยอะมากมาที่บอกมาสักครู่นี้นะครับนับได้อีกนะแต่เอาละเนี่ยประมาณอย่างละอย่างละสามข้อสามข้อนี่มันก็เยอะคิดละเอียดมากเลยถ้าเราจะเชื่อสิ่งที่ถูกต้อง นะครับดังนั้นเราอย่าได้อธรรม ต, ต, ตัวเองในการปฏิเสธในเรื่องราวของศาสนานะครับเอาละครับพี่น้องเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับ السلام าาะ ل ي ك م ورحمة الله وبركاته